ตอนที่สองร้อยหนึ่งหยวนเหย็ยนเย็ยนเผยเพ่ตายความจริงแล้วฉันคิดมาตลอดว่าคุณควรกลับไปสืบทอดกิจการที่บ้านนะหลิวหวานเสนอความเห็นการทํางานที่บ้านย่อมผ่อนคลายกว่าการทํางานในโรงพยาบาลอย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็มีอิสระเว้นโมสุขภาพไม่ค่อยดีไม่เหมาะกับงานทางการแพทย์ที่ต้องตรากตําเกินไปการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าร่างกายจะฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้เท่ากับคนปกติบางที่ช่วงนี้เขาอาจจะเหนื่อยเกินไปจนสัญญาณสุขภาพเริ่มส่งเตือนเป็นไฟแดง บ้านผมมีกิจการอะไรให้สืบทอดกันเหวินโมยิ้มออกมาพวกรุ่นใหญ่ในบ้านเคยเสนอให้เขากลับไปจริงๆแต่เขาไม่อยากทําเขาอยากลองดูด้วยตัวเองว่าจะสามารถสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้แค่ไหนหากไม่ไหวจริงๆสุดท้ายก็คงต้องกลับไปรับช่วงต่อตอนนี้บ้านคุณปู่เป็นร้านแพทย์แผนจีนเก่าแก่ร้อยปีเชียวนะคนไข้ที่ไปตรวจที่บ้านคุณต้องเยอะกว่าคนไข้ที่คุณตรวจในโรงพยาบาลแน่ๆลีหวานกล่าวต่อคุณปู่ของคุณนั่นแหละคือป้ายโฆษณาที่มีชีวิต คุณปู่ของผมอยากเจอคุณมาตลอดเลยนะเหวินโม่ถือโอกาสพูดขึ้นท่านอยากรู้ว่าอัจฉริยะแห่งคณะแพทย์แผนจีนมีลักษณะเป็นยังไงถ้าว่างจะไปค่ะสำหรับคุณปู่ของหวนโม่ที่เป็นแพทย์แผนจีนอาวุโสผู้มีชื่อเสียงหากมีโอกาสเธอก็อยากจะไปพบสักครั้งตกลงคุณพูดแล้วนะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนผมจะขอลาพักต่ออีกสักสองามวันพักผ่อนให้เต็มที่หน่อยรอยยิ้มที่มุมปากของหวนโม่ดูฝืนเล็กน้อยคุณช่วยสัญญาให้ผมเลยแล้วกัน เดี๋ยวผมไปรับยากลับเลยที่บ้านของเหมืนโม่นั้นสิ่งที่ไม่ขาดแคลนที่สุดก็คือสมุนไพรจีนมีสมุนไพรจีนอยู่ตัวหนึ่งที่บ้านคุณไม่มีหรือวนันพูดจบก็ชะงักไปครู่หนึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องกินไว้ฉันซื้อมาแล้วค่อยเอาให้คุณคุณบอกผมมาเลยก็ได้ว่ามีขายที่ไหนจะได้ไม่ต้องลาบากขนาดนี้ไม่มีขายค่ะ หลิหวันตั้งใจจะนําสมุนไพร อ, อมาจากมิติโดยตรงสิ่งที่เธอพูดถึงคือเห็ดหลินจือป่าของแท้ที่ขายตามท้องตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบเพาะเลี้ยงสรรพคุณย่อมสู้แบบป่าไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเห็ดหลินจือในมิติของเธอยังถูกรดด้วยน้ำผู้วิญญาณสรรพคุณยิ่งไม่ต้องพูดถึงอืมตกลงนั้นรบกวนคุณด้วยนะหวนโมลุกขึ้นเตร็มตัวกลับบ้านหลายวันต่อจากนี้เขาจะตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อพักผ่อนให้เต็มที่ ตอนเย็นหลังเลิกงานหลีหวันเปิดประตูรถด้วยความเคยชินทันทีที่เธอนั่งลงบนรถเสียงของหยวนเย็นเยียนก็ดังมาจากเบาะหลังที่สะพายเหวินโม่ละฉันเห็นเขาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้เขาไม่ได้มาทำ ง, งานเหรออือไม่ได้มาหลี่หวันคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อหันไปมองหยวนเศร้าเหิงก็เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความจนใจเขาเองก็ไม่อยากพาน้องสาวที่เป็นตัวถ่วงคนนี้มาด้วยเลยทำให้ช่วงนี้พวกเขาสองคนไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิด ก, กันเลยทำไมฉันรู้สึกเหมือนเขากำลังหลบหน้าฉัน หยวนเย็ยนเย็ยนพูดด้วยใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตา ย, ยังคงจ้องเขม็งไปที่หลีหวานที่สภัยพี่ต้องช่วยฉันนะหลีหวานไม่รู้ว่าเธอต้องการจะทำอะไรจะให้ฉันช่วยเธอยังไงที่ก็น่าจะรู้ว่าฉันชอบเขาแต่เขาไม่เคยยอมรับรักฉันเลยฉันอยากจะลองดูเป็นครั้งสุดท้ายพี่ช่วยนัดเขาออกมาให้หน่อยฉันจะไปสารภาพความในใจกับเขาหยวนเย็ยนเย็ยนพูดทีและคำก่อนจะเสริมขึ้นว่าหรือไม่ก็เป็นคืนนี้เลยดีไหมเดี๋ยวให้พี่ชายขับรถพาเราไปที่บ้านเหมินโม่เลย ย็นเ ย, ยงการจีบคนเขาไม่ได้จีบกันแบบนี้ฉันว่าเธอไม่ได้จะไปสารภาพความในใจหรอกแต่นี่มันคือการบุกไปบีบคั้นเขาถึงบ้านลิวหวานฟังแล้วถึงกับตกใจเหวินโมปฏิเสธเธอมามากกว่าหครั้งหยวนเย็นเย็นจะยิ่งลมยิ่งแกร่งก็ไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะควายควาความสุขแต่การตามไปถึงบ้านเหวินโมมันไม่เหมาะสมใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นนี่ยังเป็นเวลากลางคืนอีกอย่างวันนี้เหวินโม่ไม่สบายป่านนี้เขาอาจจะหลับไปนานแล้วก็ได้ใช่แค่ชอบก็ควรจะเปิดเผยฉันชอบเขาก็ไม่เห็นต้องหลบหลบ เย็นเย็นเย็นอย่าลืมที่พ่อบอกนะว่าห้ามเธอไปก่อเรื่องเหยวนเศร้าเหิงทำหน้าดุและตำหนิออกมาเขาคิดว่าก็เหมือนทุกทีที่เป็นแค่การนัดกินข้าวธรรมดาไม่นึกเลยว่าเธอจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนถ้าเหวินโม่ชอบเธอด้วยก็ว่าไปอย่างแต่นี่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเลยคนเราควรจะรักษาศักดิ์ศรีพื้นฐานเอาไว้บ้างตอนนี้พี่กับพี่สะพายของเธอจะกลับไปกินข้าวที่บ้านถ้าเธอไม่อยากกลับไปที่เขตบ้านพักทหารกับพี่ๆก็จะไปส่งเธอที่บ้านก่อน หยวนเศ้าเหิงสะกดอารมณ์เอาไว้คืนนี้เขาไม่อนุญาตให้หยวนเยน็นเย็นทำตัวเหลวไหลเป็นผู้หญิงยิงเรือทำตัวแบบนี้ได้ยังไงหลี่หว่านที่กลัวฉันจะขายหน้าหรือว่ากังวลว่าถเวนโม่มาคบกับฉันจริงๆแล้วพี่จะเหยียบเรือสองแคมต่อไปไม่ได้หยุนเยน็เยนเย็นพ่้งคำถามออกมาอย่างไม่มีปีไม่มีครุยดวงตาของเธอจ้องตรงไปที่หลี่หว่านไม่ยอมให้ความรู้สึกใดๆบนใบหน้าของอีกฝ่ายรอดพ้นสายตาไปได้ที่มีพี่ชายของฉันอยู่แล้วพี่ทำเรื่องหน้าไม่ไอายแบบนี้ลงไปได้ยังไง อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยพี่กับเวิรนโม่ก็อีกอ๋อ ก, กันมาตลอดพี่คอยปั่นหัวเขามาตลอดในใจเขามีพี่อยู่เขาถึงไม่ยอมรับรักฉันที่พูดจาสดิบดีแต่ความจริงที่ก็แค่สนุกที่ได้ถูกผู้ชายสองคนรุมจีบพร้อมกันเหมือนแม่ของพี่ไม่มีผิดเหยื่นเหยียน หยวนเศร้าเฮงตว่าเสียงดังลั่นก่อนที่หลีหว่านจะทันได้ปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเขาก็ลงจากรถด้วยความโกรธจัดแล้วกระชากประตูเบาะหลังออกก่อนจะตกหน้าหยวนเย็นเย็นไปฉาดใหญ่เพียเมื่อครูนั่งอยู่ที่ตำแหน่งคนขับเขาเอื้อไม่ถึงเธอหยวนเศ้าเฮงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะสั่งสอนหยวนเย็นเย็นให้เข็ดลาบคำพูดระยำพวกนี้เธอไปได้ยินมาจากไหนใครเป็นคนบอกเธอรีบขอโทษที่สไพรเธอเดี๋ยวนี้หยวนเย็นเย็นอย่ามาท้าทายขีดจำกัดความอดทนของพี่ที่นี่ ที่ว่าตอนนี้เธอมันหน้ามืดตะมัวเพระวิ่งไล่ตามผู้ชายจนบ้าไปแล้วพอจีบเขาไม่ติดก็มาพูดจะเล่เอ๋อยู่ตรงนี้ยวนเย็ยนเย็ยนไม่เคยถูกตีมาตั้งแต่เด็กเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านถูกพ่อแม่ประครบประห ง, งมเลี้ยงดูมาจนโตแรงตบของยวนเศร้าเหงิงเมืครูไม่ได้ออเมือเลยแม้แต่น้อยเธอรู้สึกเจ็บที่ใบหน้าอย่างรุนแรงแต่เธอก็ได้เห็นท่าแท้ของยวนเศร้าเหิงอย่างชัดเจนต่อไปถ้าหลีหวันแต่งเข้าบ้านมาในบ้านหลังนี้คงไม่มีที่ยืนสําหรับเธออีกต่อไป ไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องคอยดูสีหน้าของหลีหวันวันเวลาดีๆในฐานะคุณหนูของเธอจบสิ้นลงแล้วเสี่ยวเหมียวอวินพูดไม่ผิดจริงๆยวนเหย็ยนๆที่ฉันพูดดีกับเธอก็เพราะเห็นแกหน้าพี่ชายของเธอคําพูดแย่ๆที่เธอเคยพูด ก, กับฉันก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่เคยถือสาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันจะยอมตามใจเธอตลอดไปเหวนโมเขาเป็นคนนะฉันสั่งให้เขาทําอะไรเขาก็ต้องทําตามนั้นเหรอเขาคืนของขวัญที่เธอให้มาเป็นเงินก็ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับเธอ เขาจะชอบใครนั่นมันเรื่องของเขาและฉันก็ไม่เคยปั่นหัวเขาด้วยหลหวานกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาที่คืนนี้ฉันไม่พาเธอไปหาเขาก็เพราะเขาไม่สบายเขาลาหยุดที่โรงพยาบาลหลายวันเพื่อพักผ่อนในแง่หนึ่งเขาถือเป็นคนไข้ของฉันฉันมีหน้าที่และภาระผูกพันที่จะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของคนไข้หยวนเซาเฮิงผู้ถูกอยู่อย่างหนึ่งหยวนเย็นเย็นบ้าผู้ชายจนเพี้ยนไปแล้วสมองมีปัญหาชัดๆเขาป่วยเหรอร่างกายเขาแข็งแรงดีมาตลอดไม่ใช่เหรอ หยวนเย็นเยนได้ยินดังนั้นก็ลืมความเจ็บที่ใบหน้าไปสิ้นรีถามออกมาด้วยความร้อนใจเธอยังมีหน้ามาบอกว่าชอบเขาอีกหรอตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไปสืบเรื่องอะไรมากันแน่หรือสือบแค่เรื่องที่ฉันคอยปั่นหัวเขาตอนเรียนมหาวิทยาลายัยฮ้ลิวันรู้สึกคำอย่างบอกไม่ถูกสมองของหยวนเย็นเย็นนี่มันช่างไร้เดียงสาจริงๆ